เริ่มต้นหนังสือหลักธรรมะหลักธรรมตามรอยพระยุคละบาทตั้งแต่ชาติบ้านเมืองพัฒนามันเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งแงด่ดีและแง่ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อ30กว่าปี40ปีแล้วที่เราเริ่มพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เราเริ่มพัฒนาอย่างนั้นก็หมายความว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยนจากประเทศที่เคยอยู่แบบธรมธรมดาาไม่มีแผนแต่ในาน้ำมีปลาในานามีข้าวประชาชนของเรามีประมาณสัก20ล้านเท่านั้นเข้าไปปรับเปลี่ยนหนทางใหม่อันนั้นคือแนวความคิดสากลที่นำมาใช้ในช่วงปีพุทธศักราช2500 เสียคนเพราะอยากร่ำรวยแผนพัฒนาฉบับแรกๆจนกระทั่งหลายฉบับที่ผ่านมาถูกชี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแทบทั้งสิน้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราได้นำเอาค่านิยมเอาแนวทางหลักความคิดของตะวันตกมาเป็นเครื่องนำทางของเรา วิถีชีวิตอีกซีกโลกนั้นแตกต่างกับของเราอย่างไรประการแรกสุดซีกโลกตะวันตกนั้นเขายึดถือวัตถุแต่ซีกโลกของเราทางด้านเอเชียยึดถือเรื่องคุณธรรมวัฒนธรรมเรื่องจริยธรรมเป็นที่ตั้งหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือโลกตะวันตกเป็นโลกของรู ป, ปรธรรมขณะที่โลกตะวันออกเป็นโลกของนามธรรม ที่ผ่านมาคนไทยครองชีวิตครองตัวอยู่อย่างพอดีอยู่อย่างทอมเนื้อทอมตนยึดเส้นทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับเรามาโดยตลอดบ้านเมืองก็คิดว่าเรามีความสุขพอสมควรแต่นับเนื่องจากวันที่เราจะก้าวไปสู่ยุคปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเรา เปลี่ยนไปสร้างความร่ำรวยด้วยเงินทองเป็นที่ตั้งคือสร้างการเจริญเติบโตโด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาทุกฉบับโดยคิดว่าเราต้องสร้างความร่ำรวยให้ได้ก็พอแล้วทุกอย่างจะดีมาเองแล้วเราก็เริ่มสร้างจริงๆในระยะถัดมานั้นเรารวยจริงๆในด้านตัวเลขเราสำเร็จผลในส่วนนี้ จำได้ไหมครับว่าเราภูมิใจเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วว่าเราเป็นแชมป์การเจริญเติบโต GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของเราทำได้ 7% 8% อร์์เอร์ซบางทีส0เซไม่มีประเทศไหนก็ทำได้หรอกนะครับเราก็ดีใจว่าบ้านเมืองเจริญจนกระทั่งหลายคนนักการเมืองก็ดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักวิชาการเชื่อว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางอย่างนั้นศูนย์กลางอย่างนี้ศูนย์กลางการเงินการคลังศูนย์กลางขนส่งทางอากาศซึ่งล้วนแล้วแต่ศูนย์กลางสารพัดแต่พอเลี้ยวกลับมาดูอีกแง่หนึ่งเราได้อะไรและเราเสียอะไรเราได้เงินมาครับแต่พร้อมกันนั้นเรากลับเสียทุกอย่างและเราเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เราเสียคนทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะพอมาถึงช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สามเราก็เพิ่งเติมคำว่าสังคมลงในแผนเดิมเราคิดว่าพัฒนาเศรษฐกิจดีร่ำรวยดีอย่างอื่นดีพอแล้วไม่เคยมองด้านสังคมมาในแผนพัฒนาประมาณช่วงฉบับที่สามถ้าจำไม่ผิดคิดว่าเราทำการเกษตรไม่รวย ทำอย่างไรก็ไม่รวยรวยช้าเหนื่อยไปทำอุตสาหกรรมดีกว่าและตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมาเราเริ่มหากรรมใส่ตัวเรื่อยมาและขอเรียนว่าตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากพื้นฐานการเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญาของเราเองใช้ดินของเราเองใช้คนของเราเองเราเป็นเจ้าชีวิตของเราเองไปสู่การพัฒนา ที่เน้นด้านอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นเราต้องการอะไรในเบื้องต้นเราต้องการเงินครับถามว่าเรามีเงินไหมไม่มีไม่เป็นไรไปกู้เขากู้เสร็จแล้วเราก็ดีใจมากภูมิใจมากเราเป็นลูกหนี้ที่ดีที่สุดในโลกเพราะไม่เคยเบี้ยวเลยธนาคารโลกก็อยากให้เรากู้ใครก็อยากให้เรากู้ภูมิใจ ผมจำได้ระยะนั้นเราคิดอย่างนั้นจริงจริงนอกจากเงินแล้วเรายังต้องการอะไรอีกในการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องการเทคโนโลยีครับถามว่าเทคโนโลยีเรามีของเราเองไหม เราเคยพัฒนาเทคโนโลยีของเราหรือเปล่าเปล่าไม่เป็นไรอีกเราซื้อเข้ามาได้จําได้ไหมครับเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีอันนี้คือคําที่เราใช้คือซื้อมาหรือเคลื่อนย้ายมาใช้ในบ้านเราอันที่สเราต้องการอะไรอีกครับสําหรับเรื่องอุตสาหกรรมก็เรื่องการบริหารสิครับต้องการคนครับ เราต้องการนักบริหารระดับสูงถามว่าระบบการศึกษาของเราสร้างคนเหล่านั้นขึ้นมาหรือเปล่าคําตอบคือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องใครครับเราต้องการคนญี่ปุ่นคนฝรั่งที่เข้ามาเดินเต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อมาบริหารงานเงินและเทคโนโลยีของเขาขณะที่คนไทยร่ำรวยจากเงินเดือนแต่คนไทยก็ทำได้แค่เป็นพันโรงคนงานเสมียน หรือระดับกลางๆเท่านั้นเองคนไทยระดับสูงนั้นมีแค่หยิบมือเดียวก็ถูกแย่งตัวกันเห็นไหมครับตอนยุคนั้นยุคฟองสบู่พองเงินเดือนของคนไม่น่าเชื่อเดือนละเป็นล้านแพงยิ่งกว่าสิงคโปร์เราเหมือนพ่อครัวคนหยิบมือเดียวก็แย่งกันอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้คือสร้างบ้านขึ้นมาโดยไม่ได้ฝังเสาเข็มเศรษฐกิจพอเพียง คือฝังเสาเข็มวางรากฐานก่อนเหมือนอย่างที่ตึกบางลําพูขออนุญาตไว้สี่ชั้นต่อขึ้นไปถึง11ชั้นมันก็พังคลื่นลงมาที่โคราชโรงแรมก็พังคลืนลงมามีเพื่อนเราหลายคนตายอยู่ในซากนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นการสร้างความร่ำรวยโดยไม่มีการวางรากฐานรองรับมาก่อนก็คือไม่ได้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนก็อยู่ไม่ได้ พระองค์ท่านไม่ได้บอกให้ทุกคนกลับไปปลูกถั่วปลูกงากินไม่ใช่แต่ให้ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามลำดับแต่สิ่งที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเสียทรัพยากรและขายทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้เราขายดินเราขายป่าไม้จนหมดเราขายแร่ยุคพวกเรายัางหนุ่มหรือยังเด็ก จำได้ไหมครับว่าเรามีข้าวยางพาราไม้สักดีบุกรวยแค่เนี้ยพอบัตรเนี้ยก็วิ่งขายกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็วิ่งขายกันสินค้าออกไม้สักเลิกพูดและสมัยนี้ปรากฏว่าเราขายไปทุกอย่างแล้วเราร่ํารวยขึ้นมาหมายความว่าเราขายเพราะเราอยากได้เงินและเมื่อ8ปถึงเปีที่แล้วทุกอย่างก็พังคลืน แต่ที่เราเสียดายและยากที่จะกลับคืนก็คือเราเสียคนเสียคนเพราะอะไรครับเพราะเราหลุดจากหลักธรรมะที่เรายึดมาตลอดคือเดินเส้นทางสายกลางแต่เป็นการเดินไปสู่ความโลภความหลงการกอบโกยทุกอย่างเข้าเป็นสมาชิกสังคมบริโภคสุดกูเวลาเนี้ยคนต้องมีบ้านโตโตไม่มีก็ต้องไปกู้ยืมเงินเขา เพราะมันเป็นศักดิ์ศรีของสังคมทุกคนก็ขี่รถใหญ่ๆแพงๆทุกคนต้องหิ้วกระเป๋าลุยติ้งต้องอะไรนั่นใบละห้าหมื่นอะไรไม่รู้เงินในกระเป๋าไม่มีเลยไปซื้อกระเป๋าสมุดเวอร์ซาเช่ยี่ห้อเดียวคนไทยไปซื้อจากต่างประเทศในช่วงฟองสบู่เป็นเงินทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาทยี่ห้อเดียวซื้อเงินสดตามไม่ได้เพราะไม่รู้จะตามยังไง ร, รูดการ์ดอย่างเดียว เพราะว่าเงินมันเยอะใช้กันฟุ้งเฟอฟุ่มเฟืยกันจนหมดเสียคนถายใต้ฟ้าที่กวางใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนปลายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอวังสุงจะเกินไปกลับเป็นทุกท่อแทนใใจ และดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแน่อุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงรัก ถึงเวลาปรับเปลี่ยนค่านิยม ใจคงคกเกี่านิยมของคนไปผูกกับวัตถุหมดหลวงปู่ขาวได้เทศเอาไว้ว่าคนไทยเป็นคนติดซากทุกคนต้องใส่โลเล็กสกันเต็มไปหมดกี่แสนก็ไม่รู้และถ้าไม่รวยจะเอาที่ไหนมาอยู่รอดได้ครับเพราะที่เป็นอยู่ มันไม่ใช่ของจริงที่ได้มาเพราะมันได้มาอย่างไรไม่รู้เพราะความโลภความอะไรสารพัดไปหมดเมื่อสร้างนิสัยอย่างนี้ก็เข้าครอบงำมหมดพอครอบงำหมดค่านิยมของสังคมก็เปลี่ยนไปพอค่านิยมถูกปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นครับเงินเดือนในระบบราชการก็ไม่สามารถที่จะเอื้อให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำยังไงครับก็ต้องประพฤติที่ผิด คำว่าประพฤติที่ผิดนั้นก็คือโกงก็คือคอร์รัปชันจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันระบบเนี้ยครอบงำในทุกส่วนของสังคมทำให้ชาติบ้านเมืองย่าแย่อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการไม่ว่ารัฐวิสาหกิจไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ยอมรับจะทำอะไรสักอย่างซองต้องไปซองไม่ไปงานไม่เดิน เส็นสักแรกเงินต้องมาเราไปสร้างสมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเรื่องสีมีชนชั้นเพราะสังคมทั้งสังคมมันแหลกเหลวล้มเหลวไร้าสาระมานะวันนี้เหตุการณ์นั้นยังมีไหมมีครับมีค่อนข้างมากด้วยมีอย่างน่ากลัวโยงไปสู่ยาบ้ายาเสพติดอะไรต่ออะไรวุ่นวายเราสังคมทั้งสังคมก็เหลวแหลกไป ข้าราชการที่เป็นแกนของสังคมทั้งหมดก็ล้มเหลวตามไปด้วยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนการเสียทีทีนี้จะเอาต้นแบบมาจากไหนละ่ะที่จะให้คนเดินตามถนนไม่มีใครยอมรับกันหรอกแล้วก็ไม่รู้จะเอาใครมาด้วยผลสุดท้ายแท้จริงสังคมเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้ปีที่ผ่านมานั้นได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่างได้ทรงทําหมดทุกอย่างทรงคิดหมดทุกอย่างเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ไม่ใช่เพียงรักษาทรงสอนด้วยทรงนําด้วยทรงทําให้ดูด้วยแต่พวกเราผศนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลยชื่นชมแต่ไม่เคยทําตาม ถึงเวลาแล้วครับเหลียวกลับมาการปรับเปลี่ยนการละจากพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กลับมาสู่ทํานองคลองธรรมนั้นเราทำได้ครับวันพรุ่งนี้ก็ได้ผมถึงบอกเราต้องเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนที่จิตเสก่อนใครที่ทำดีอยู่แล้วทำต่อไปในการทำดีนั้นมีอุปสรรครับไม่ใช่ง่ายคนจะมันไส้คนจะอิดช้า ใครจัดสรรซองให้หนายก็ได้ดีลูกน้องคนไหนไม่รับก็จะโดนคอมเมนทำดีก็ถูกคอมเมนมันไส้เพราะมึงไม่โกงกูโกงและมึงต้องโกงด้วยอะไรลักษณะอย่างนั้น